สิกขาบทวิพังหนึ่งร้ที่ชื่อว่ากล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษคือภิกษุต้องการจะทําให้เสียชื่อต้องการจะทําให้อับยศต้องการจะทําให้เก้อเขินจึงกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษหรือบ่นว่าอุปสัมบันที่สงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเปนาสนะแจกพตาาัตฐานแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กน้อยต้องอบัติปาจิตตี